จากการลำดับพูดข้าวก่อนในวันในเดือนพฤศจิกายน ท, ที่ผ่านมาก็พูดเรื่องของคนเพราะตัวคนเป็นตัวศาสนาที่นี้พระพูดถึงเรื่องการปฏิบัติถ้าเป็นคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมได้ต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็บรรลุธรรมไม่ได้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 ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ที่มีใจสูง้าเป็นคนก็ไม่บรรลุธรรมได้้าเป็นสัตว์มนุษย์สาริรษานโนก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้เป็นสัตว์คือเป็นได้อย่างไรคือมันคล่องสัตว์คือผู้ที่คล่องมันคล่องอะไรบ้างเรามาอยู่วัดโมก มันคล้องอะไรบ้างมไม่มีใครเห็นกันเราเราเห็นเองคล้องโลกคล้องล้านคล้องบ้ญญ า, านคล้องเรือนคล้องบุตรพัรยาสามีคล้องทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆ ม, าๆมันอยู่ที่โน้นจิตใจเราแต่กายมันอยู่ที่นี่ใจมันอยู่ที่โน่นวิ่งโน่ว น, นวิ่งนี่บางทีก็คล้องทางตาทางหูทางจมูกรินกายใจ เรีว่ามันคล้องอยู่ถ้าคล้องอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัตว์เป็นสัตว์สัตว์คือไปทางขวางไม่ไม่คล้องแค่ไป ย, ยากมันกัรถก็เรือที่มันวิ่งถ้ามันไปทางขวางก็ไม่มันก็ล่มมันก็คว้างเท่นั้นเองเรือที่ไปทางขวางก็ล่มจมถ้าสัตตะวะเนี่ยก็คือขวางอยู่เรื่อยกว่าจะสร้างสติมันก็ไม่มีสติสตักที แต่มันก็คล่องโน่นค่อง น, นี่เรื่อยตายแต่ว่ากายทำอยู่เดินจงกลมอยู่สร้างจังหวะอยู่แต่ว่าใจนั่นมันคล่องอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะว่าใจยังเป็นใหญ่ใจมันเป็นหัวหน้าจะสาเร็จก็พอจิตพ่อใจใจถึงก่อนใจเป็นผู้นำหน้าถ้าทำํำแต่ว่าทา ไม่มีสติจะไม่ฉัญญนยะไม่รู้ไม่ได้กำหนดไม่ได้ลงเวทีไม่ได้ลงสนามไม่ได้เอกกายไม่ได้ออกความรู้สึกไม่ได้เอาใจมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวใจมันไปอยู่ที่อื่นแต่เวลาเท่ากันห้าวันหกวันเท่ากันแต่ว่ามันยังคล่องกาไปไม่รอดมันก็โบราณท่านว่า โ่ไม่แจ่กุญแจในไข่แลก็วายสิาะี่ล่ามเชื่อกอไว้มันก็ไปไม่ได้มันก็กลับขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อให้มันได้ผลก็เลื่อนมาเป็นมนุษย์ไปใจสูงขึ้นมาประเภทพรหมจัน์อะไรคือพรหมจัน์อะไรคือมนุษย์มนุษย์ โสมนุสสานี่ก็คือสติสมัชัญญาสูงจาก อ, าอะไรต่างๆจากตาจากหูหูมันได้ยินาาก็สัจจะว่ามันสูงแล้วตามันเห็นก็หลุดมีสติเข้าไปรู้ตัวสติสมัชัญญาเป็นพรห ม, มจรย์ถ้าตามันเห็นมีสติเข้าไปรู้เห็นสักจะว่าเห็นนั่นแล้วว่าประพฤทมมิภหมจรรย์แล้ว ไม่ใช่โคนผมผมผ้าเหลืองผมไปจังเป็นหลักของสาก ร, รตามันเห็นรูปมันไม่คล่องมีสติเข้าไปอยู่ไปรูปไปเห็นปราจับแต่ว่าตัวสติเป็นผู้ที่จับแต่ว่าตัวสติเป็นสักแต่ว่าไม่ใช่ปากมันว่า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 ้เรามาดูกายเคลื่อนไหวมีสติเห็นกายมันเคลื่อนไหวมันลงเวทีจริงๆมันลงสนามจริงๆมันกันนักกีฬาเขาที่เขาลงเวทีประสบการ์ลงสนามทานหลักก็ว่าการประพฤติภูมิใจศาสตราจาด้์เรียกว่าคือการเจริญสติสติไปอยู่ที่ไหนจึงจะคือว่าเป็นการประพฤติภูมิใจสติมาดูกายดูสิ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 แต่มันคิดไปถึงโลกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องคิดกังวลคิดอยากโลก้อยากเห็นนั่นมันก็คล่องเลยยิ่งเป็นคนคนก็มีหลายเรื่องแค่ <c oughs> เป็นคนปฏิบัติก็หลายเรื่องคุ้มลายคุ้มดีบางทีก็ชี้เกียรบางทีก็ขยนันทำตามความคิดมันชี้เกียรก็หยุดนะไม่ได้ดู ม, มันขยันก็ทำไม่ได้ดูมั มันจะคิดอยากเดินไปโน่นไปนี่มันจะพูดมันจะทำาน่นทำนี่นี่มันหลายเรื่องไม่ได้ดูมคํำต่างความคิดนึกคุมลายคุมดีข ย, ยันขี้เกียจบางทีก็อยากลู้อยากเห็นนั่นว่าคนมันหลายเรื่องคนคือหลายเรื่องเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติคือรวบลัดก็ลงเวทีว่าให้ดูกายก็ดูกายไป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 ลองมายกมือดูมันรู้ไหมเดินจงกรมดูแต่เราจะคิดจะเปลี่ยนในบทเรานั่งอยู่แต่เปลี่ยนก็อย่าเปลี่ยนตามความคิดให้สติเป็นผู้รับรู้มันเสียก่อนให้สติเป็นผู้ทักท้วงมันก่อนทักท้วงโต้ตอบก่อนปฏิก็คือโต้ตอบนะตอเป็นดูมันคิดขึ้นมาจาเป็ทํามธรรมมัน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 เป็นมันเจ็บการเคลื่อนไหวได้ดีคล่องในการดูกายเราจะให้มันเดินอยู่มันก็เดินเห็นมันอยู่อมันจะคิดขึ้นมาก็เห็นมันใจนมัคิถ้าดูกายยังไม่จริงอย่าเพิ่งไปดูใจถ้าไปดูใจก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่ให้มันจริงเรื่องกายไปก่อนเมื่อเราจะหัดอ ําฝีมืออะไรต่างๆต้องหัดมือให้มันดีจับปากปกาดิสซอให้มันเป็นไปเขียนไปมันก็สวยงามเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติสำหรับการเจริญสติปัฏฐานแบบนี้ <c oughs> ก็ให้ดูกายเป็นบาทฐานเบิ้องต้นให้มันเจงเรื่องกายให้จับกายได้ดี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 มันเป็นสติธรรมดาสติท่องเอาไม่ไม่เป็นสติจริงๆริ้อนเราต้องสร้างยกมือพลิกมือขึ้นทีหนึ่งมันก็ลู้ขึ้นมาทีหนึ้หลายลูกเข้าหลายลูกเข้าพอเราสร้างเหมือนกับเราเจ็บเงินเจ็บทองนี่แหละพอเราเจ็บเงินเจ็บทองเจ็บหลายปีทีละบาทสองบาทก็ได้มากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นมา การเจริญสติก็มาการกำหนดรู้ทีหนึ่งมันมีอะไรเป็นลักพาไปหนีไปมันก็หลายมันก็มากขึ้นแต่บางทีเราเก็บไม่มากแต่ใช่มากกว่าเก็บมันก็ไม่สมดุลกันเราใช่อะไรบ้างวันหนึ่งมันคล่องอะไรบ้างมันคิดอะไรบ้างบางทีคิดโอ้ทำอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมามันรู้มันจะเป็นอย่างไรทำไมจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงอยู่อย่างนี้ แต่นามันใช่ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เจ็บถ้าเราคิดอย่างนั้นถ้าเร า, าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าเราใช่ไปหมดไปแล้วต้องได้ใหม่หาใหม่อีกไม่พอมันก็เลยไม่ได้มากไม่เป็นมหาสติต้องสร้างไม่เป็นมหาสติจะยังไงก็ตามแต่เรื่องร้อยเรื่องพันยางอะไรก็ตามเถอะอย่าไปข่องแวะ ไงยังไงเราก็มาจเจริญสติแล้วก็อนต้องสร้างสติถตามันหนีจากสติก็รีบกลับมา ท, าทันทีกลับมาอยู่กับตัวสติกำหนดรู้ ท, ทันทีจะทำอะไรก็ตามชีวิตประจำวันอะไรก็ตามต้องประกอบสติจะอาบน้ำจะทานข้าวจะนุ่งผ้าจะหลับจะนอนจะตื่น แต่นักจะเบาอะไรก็ตามมีสติดูมันตะปืดตะปืดไปอยู่ที่ไหนมันก็มีสติอยู่ในห้องนา้าห้องส้วมมันก็มีสติมันไม่ใช่อยู่เฉพาะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะมันก็เป็นเป็นอติเรกลาภของเรามันก็ง่ายอยู่ส่วนออกจากการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนั้นอันนั้น่วนที่จะระวัง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 มันก็เชือกที่ปูกวัวปลูกขวานทจริงเชือกมันเป็นผู้ที่หัตัวขวายจะให้ไปทางซ้ายจะให้ไปทางขวาตัวกติก็เหมือนกันเป็นตัวฝึกจิตฝึกใจไม่ใช่กายเป็นตัวฝึกกายเป็นนิมิตกายเอาเป็นนิมิตสติเป็นผู้ฝึกปลามันอยู่ที่กายแล้วว่ากายเป็นนิมิตแล้วเอากายเป็นที่ตั้งกายมันทำลายมันเคลื่อนไหว เดินจงกรมเอานินิดที่เดินจงกรมถ้ามันอยู่ที่ตรงนั้นให้มันรู้อยู่ที่ตรงนั้นถ้ามันรู้อยู่ที่ตรงนั้นจิตมันก็ไม่ไปถ้ามีสติถ้าเพ้อสติมันก็ไปเลยมันได้โอกาสช่องว่างช่องโว่แลก็เราขังนกขังสัตว์ที่มันมีช่องว่างช่องโหว่มันก็รื้อนอตออกไปสติเราก็เหมือนกันสติเป็นผู้ที่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 จะตื่นจะหลับจะนอนก็รู้อยู่เมื่อมันคล้องดูกายแล้วก็เออจะดูจิตตัวนี้กำหนดจิตที่นี่แต่ว่าอากายเป็นนิมิตเหมือนเดิมถ้ามันคิดขึ้นมาก็รู้ให้ไวอย่าให้มันทันได้เรื่องเป็นลาวไปยิบเรื่องยาวไปพ้ามันคิดก็มาก็รู้ถ้ามันไม่คิดก็อยู่กับกายอีกกายนี่จะต้องยืนหยัดเป็นนิมิตตลอดไป ลู้กายแต่มันคิดกันมาก็รู้มันพับทันทีจนในที่สุดเมื่อมันข้องของสองอย่างคือกายกับใจเป็นผู้ดูมันของสองอย่างกายกับใจครก็แสดงออกมาเป็นอความจริงเขาเรียกว่าเป็นปรมัติความจริงของกายความจริงของใจมันเป็นอย่างไง เห็นธรรมชาติของสองอย่างว่ามันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นรูปทำนามทำจริงจริงกายกับใจไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรที่ไหนเป็นรูปเป็นนามเรื่องต้นต่อของมันเป็นธรรมชาติของคนคือกายกับใจมาเห็นของสองอย่างนี่ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นรูปทำนามทมแล้วมันก็เห็นอะไรต่างๆอีกไปต่อไปต่อไป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 แปดหมื่นสี่พันเรื่องก็เท่าเรื่องตาเรื่องหูเรืร่องจิตนานี่ยพมากมายกายก็เรื่องรูปเรื่องลดเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงก็มากความโลภความโกรธความหลงล ก, ก็เป็นกุศลอกุศลก็มากเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มากเป็นอิทธาลมเป็นอนิธาลมก็มากที่แท้มันก็มีกายกับใจ่ครับแต่ก่อนเราเป็นผู้เป็นนะเราไม่เห็นมันแต่ก่อน สุขเราก็สุขทุกข์เราก็ทุกข์วันนี้เราเลยไม่เห็นนะเราก็เลยเป็นผู้ดูมันมันสุขมันทุกข์เรื่องกายที่ว่ามันเจ็บให้ได้ป่วยเราก็ดูมันวันนี้แต่ก่อนเราเป็นผู้เจ็บเจ็บหัวปวดท้องเราก็เป็นผู้เจ็บเจ็บหมดเนื้อหมดตัวมีกายก็เป็นทุกข์เพราะกายตายเพราะกายกม็มีใจก็เป็นทุกข์เพราะใจตายเพราะใจก็มี เสียเงินเสียทองพอใจก็่ามีฆ่ากันตีกันพอใจก็่มีถ้าไม่รู้มันเป็นคิดเป็นภัยถ้ารู้มันแล้วมันไม่มีปัญหามันหมดพยเหมือนกันพอเรามาเป็นผู้ดูมันมันดูกายเรื่องของกายเรื่องทุกข์ของกายเรื่องสุขของกายแต่ก่อนเราเอาทั้งหมดสุขก็เอาทุกข์ก็เอากายแตมว่ามันหิว มันหิวเราก็เป็นผู้หิวสมไมก่อนแต่พอเรามาดูมันมันหิวก็โอ้เป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่เรื่องทุกข์เป็นเรื่องแก้จะเรื่องหิวก็แจ้ให้มันละไม่ได้เรื่องกายทุกข์ของกายละไม่ได้มีแต่แก้มันก็เลยเป็นเรื่องแก้แจ้ได้ก็แจ้ไปแจ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่วิจัยมันไม่มีทุกข์มันเป็นคนล็ส่วนเพราะเราดูเป็นผู้ดู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 มันหนาวโอ้ก็เห็นนะแต่ก่อนเราเป็นผู้หนาวบัดที่เราเป็นผู้เห็นมันมันร้อนตรงนี้เราก็เป็นผู้ดูไปเห็นของจริงเห็นความร้อนเห็นความหนาวเห็นความหิวเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยจะวเห็นของจริงเห็นอย่างประเสริฐถ้าเห็นอย่างนี้ในไหนมันมันชื่นใจดีแต่แต่มันเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่เราจะเป็นทุกข์มันชื่นใจมันแสดงความจริงให้เราเห็น เมื่อเราเห็นอย่างประเสริฐเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าเห็นทุกข์ของกายทุกข์ของกายคือต้องแก้ไม่ละละไม่ได้ทุกข์ของกายบางคนทุกข์กายเจ็บให้ได้ป่วยไปฆ่ามันตายอันนั้นไม่ถูกทุกข์ของกายต้องแก้มันทุกข์เรื่องใจต้องละใจมันเป็นทุกข์เนี่ยมันต้องละละได้ใจ ถ้ามันทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชละไม่ได้เมื่อวานพว่กระยมคนหนึ่งที่มาหาเป็นทุกข์มากเรื่องใจเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราเอามาเป็นทุกข์โดเฉพาะลูกสาวเป็นทุกข์แม่ก็ เ, เป็นทุกข์ไปลูกเขยลูกสาวลูกเขยเป็นคนไม่ดีแ้วเฉพาะ เมียของเขาก็เป็นทุกข์หนงแม่ของแม่ยายก็เป็นทุกข์เพรลูกเคยไม่ดีเดีอยวคงเอาเรื่องคนอื่นเรื่องนอกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้มันมันก็ผลุงพลังจริงเป็นภาละมากมายตายก่อนเรื่องใจแอนทุกข์เรื่องใจอย่าพึงไปหมดหวังจะ่าพึงไปหมดอะไรในชีวิตมันละได้ละได้จริงๆทุกเรื่องใจ กุ้มอกกุ้มใจพอใจไม่พอใจมันเนี่ละได้เราหัดเป็นผู้ดูมันมันทูกขึ้นมาเพราะอะไรพอเราไปบัญญัติเอาพอเราไปยึดเอาไปสมมติเอาว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบใจว่าไม่ชอบใจไม่อยากให้เขาว่าไม่อยากให้เขาทำไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ดู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 ก็ชัดอยู่แล้วล่ะดูความโกรธก็ชัดอยู่เป็นทุกข์หน้าดําครื่อเครียดมองเห็นได้ชัดแต่ความโลภจะมองไม่เห็นความหลงก็มองไม่ค่อยเห็นเห็นไ้ยเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ชัดความโลภอย่างนี้นะบางคนเข้าใจว่าความโลภคือทำไล่มากๆกํามาคาขายมากๆ อ, อันนั้น มึงก็ยังไม่ถัก <c oughs> ความโลภเนี่เขาหมายถึงกาโลภอารมณ์ก่อนที่จะไปเอาอันอื่นก่อนที่จะไปบังเบียดคนอื่นมันเอาแล้วเอาทางอารมณ์ความโลภมันเอาโลภอะไรบ้างโลภอารมณ์คือความโกรธความรักเนี่ยความดีใจความเสียใจก็เป็นความโลภเหมือนเอาความโลภไม่ใช่วัตถุอันวัตถุมันเป็น มันเป็นผลของความโลภแต่จริงๆเขาหมายถึงใจเนี่ยก่อนที่จะเป็นรักไปป่นไปบังเบียดคนอื่นใจมันมันเอาพลังแล้วมันเอาพอลรงแล้ ว, เ, ลลวเราจึงมาเล่นงานกับใจนะความโลภเราเห็นมันมันคิดก่อนที่จะเกิดความโลภ ก, ก็ต้องคิดขึ้นก่อนมันก่อขึ้นเพราะความคิดก่อ น, นถ้ามีสติมันก็เห็นมันเกิดเกิดความโลภไปแล้ ความหลงก็เหมือนกันเท่านี้ความหลงไม่ใช่หลงสิ่งหลงของหลงผ้าหลงกุญแจหลงอะไรต่างๆหลงชื่อเสียงเลียงนามหลงหน้าหลงตาแค่นั้นเดอกความหลงก็คือหลงอารมณ์มันหลงอยู่ในอารมณ์แก้ไม่เป็นเขาว่ากับเราเขาว่ากับเราเราดีใจเราเสียใจหลงอารมณ์อยู่นั่นจนในที่สุดก็แสดงออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ ดีใจเสียใจออันดีใจอันเสียใจก็ไม่เที่ยงเคยถูกมันหลอกอย่างหลงอารมณ์แม่โกรธให้ลูกสา ม, ามีพญาโกรธให้กันดานน่ากันทะเลาะกันฆ่ากันตีกันแม่โกรธให้ลูกตีลูกจนขาแตกเพราะความหลงถ้ามันหายหลงแล้วก็เออก็สงสารลูกหัวเมียทะเลาะกันเพราะความหลงเมื่อมันหายหลง ความหลงมันไม่มีตัวมีตนมันก็หมดไปตามเหตุตามปาจก็ละอายจากบ้านปิดประตูบ้านเงียบเพราะความหลงมันหลอกลว่าถ้ามีสติดีดดมันจะเป็นผู้ดูมันดูความโลภความโกรธความหลงเพราะมันเห็นรูปเห็นนามความโลภความโกรธความหลงหาที่ตั้งไม่มีเบาบางลงมันมีรากไม่หมุนติดเหมือนเมื่อก่อน แต่ว่าหมุนอยู่แต่ว่าหมุนเบาๆสติเพราะคนที่ปฏิบัติทำลู่รูปนามเบื้องต้นถ้าเป็นการดึงดูดก็เป็นแม่เหล็กอันเล็กๆดูดเหล็กใหญ่ๆไม่ได้ดูดเหล็กใหญ่ไม่ได้ดูดเหล็กใหญ่ไม่มาเพียงแต่ทึ้งวิทเดียวมันก็ลู่ทันทีเพราะสติมันมันจะมีสติมันมาก่อน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 ไม่ได้ฝึกหัดจิตมีสติดีสิ้นมันมนี่ไม่เกิดพอมาลูบลูปลูบนม้มเห็นอารมณ์เห็นทุกข์เห็นสมมติเห็นบัญญัติจิตใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นป ก, กติขึ้นไม่ปูไม่แฟกง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะลู่เหตุลูปปัจจัย มีความยับยั้งทางจิตได้ดีไม่ผลผันผันแรงไม่วู้วายเป็นคนทักท่วงเป็นการโต้ตอบกับอารมณ์อาการต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเราทางตาทางหูทางสมอกร่างกายใจสดีสติมันมาพอมีสติดีจิตใจก็ปกติปกตินั่นก็เลยเรียกว่าถิ่นใช่ไห ่วาเจนไม่มีเย็นลงเอ็นาการตามความเป็นจริงมีสติเข้าไปรู้จนไม่มีทุกข์เรื่องตาเรื่องหูก็เป็นสักแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกายเรื่องเก็บใค้ได้ป่วยของกายก็มันเป็นผู้ดูเรื่องใจก็สติเป็นผู้ดูเมื่อเป็นผู้ดูเราก็อยู่ตรงกลางไม่เปิดไม่เปื้อนถ้าเราเป็นผู้ดูกิ่งกิงเป็นสุขเราก็ดูเป็นทุกข์เราก็ดู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 เมื่อเราประพฤติพโมจันทร์อยู่อะไรเกิดขึ้นมาก็ได้วิมุตต์เมื่อเป็นพโมจันทร์มันก็วิมุตต์เป็นคู่กันหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นแต่ว่าเราเดินอยู่ใน อ, อกมกักเดินอยู่ในสายวิมุตต์หลุดเราออกตลอดเวลาหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นอืมถ้าเราเป็นผู้เป็นไม่หลุดนะคิดฝั่งท้ายฝั่งขวางติดติดเกาะติดฝั่งค้องแล้วอาจจะเป็นเปลตอาจจะเป็นสัตว์เดรัจาน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 นั่นแหละว่าเราประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งอาจจะพรหมจรรย์เกิดทางตาทางหูทางจมูกริ้มกายใจรูปรสดินเสียงก็ได้ความรักความโกรธความเบียวบายพยาบาทมาเกิดมาเราเป็นผู้ดูนั่นแหละเอาเมื่อ น, นั้นแหละดูที่ขณะนั้นหละทุกเวลานาทีประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งแล้วก็เป็นหลักสากลไม่ใช่อยู่วัด ไม่ใช่รูปแบบต่างๆถ้าเราทําถ้าเรารู้ที่เรามาหัดนี่หัดสร้างจังหวาหัดเดินจงกรมเป็นบทเรียนเบื้องต้นเป็นภาคฝึกหัดเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติไปเมื่อเราจับหลักได้มันก็นําไปปฏิบัติได้ทุกหนทุกแห่งแล้วถ้าเราเป็นผู้ดูมันเป็นการปฏิบัติแล้วมันคิดขึ้นมาก็เห็นมันมัน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 บางที่อาจจะเป็นสัตว์ดเดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นสุรกายหลายเรื่องหลายหลยักวิธีง่ายๆที่เราทํากันอยู่ขอให้เป็นมนุษย์เป็นผู้ประพฤติพรห ม, มจรรย์ก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมคุณไปตามหลักที่เรามาพูดตามหลักของพระพุทเจ้ามีพระโสดาบันพระสจิทาคามีพระนาคามีพระอาหารหันต สี่คู่อ่าถ้าสี่คู่ก็โสดาปฏิมักโสดาปฏิบดโสดาปฏิผลสจิตทาคามิมักสจิตทาคามิผลอาณาคามิมักอนาคามิผลยกตัวอย่างอย่างอนาคามีอ่าอาาคามีมักหรือว่าโสดาปฏิมักตามหลักว่ากลับมาเกิดหลายชาติอา่าอนาอาาคามีมัก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 ความโกรธความอะไรก็ดีดีใจเสียใจก็ดีมันคิดได้มันก็ล้ำหับโกรธที่หนึ่งก็คิดได้ล้ำหับลงจนความโกรธไม่เกิดขึ้นอีกหายเงียบสําหรับพระนาคามีเกิดทีเดียวคือเกิดทางใจอารมณ์เกิดขึ้นมาความรักความโกรธก็โกรธทีเดียวมีสติเข้าไปรู้ล้ำหับลงไม่เกิดขึ้นมาอีกแค่นีนะ้เอาอารมณ์เป็นเครื่องวัดไม่ได้เอารูปแบบเป็นเครื่องวัด เอาอารมณ์เป็นเครื่องวัดพระโสดาปะพรโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้หมายเอารูปร่างลักษณะเครื่องแบบอย่างเราว่าศึกษาดูว่าทําลายสังโยชน์ได้สามสกยาทิฏฐิวิกิตติฉาสีและพัตตปัลมาตสกยาทิฏฐิคือเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงแต่ก่อนไม่เห็นมัน ควาสุขก็เน้นว่าเราสุขหิวก็ว่าเราหิวเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นเป็นรูปธรรมต่างกันเป็นจริงถือตัวถือตนถือดีอถือว่าดีถือว่าชั่วไปดูการกระทําของคนอื่นดูการกระทําของเราเปรียบเทียบกันคนนั้นดีคนนั้นทําดีคนนี้ทําไม่ดีคนนี้ทําดีสักยะทิฏฐิถือกาย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 สีลปฏปปะมาต์ถือวิธีการรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติทางวิปัสนาก ร, รมฐานหลายรูปแบบวิธียุบหนอ่อพองหนอ่อสัมมาลหังพุทโธอน า, านาปานสติสติสตสตปัฏฐานรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะคนไทยเราดีคล้องอยู่กับรูปแบบมากมายไายกองไม่เหมือนกับคนต่างประเทศเขาก็เคยไปพูดสอนศาสนาต่างประเทศบ้างกัน เขาเลยลัดเข้ามาสู่ภาวะการจเจริญสติปัฏฐานได้ง่ายกว่าพวกเราพวกเราเนี่มันคล้องแวะอยู่กับพิธีกรรมต้องทำอย่างนั้นไม่แต่ทําบุญทําทานเออเาผิดเอาถูกเพราะพิธีกรรมไม่แต่วิธีพูดคําพูดคําสวดเนสมัยก่อ น, นเนี่ยหลวงพ่อเคยติดพลากวิธีกรรมแต่กินข้าวก็ต้องมีวิธี แต่นุ่งห่มผ้าก็ต้องมีพิธีจะทำสมถะกรรมฐานต้องมีพิธีแต่ลงน้ำจะไปไหนมาไหนมีพิธีกรรมทั้งหมดมันมีศีลปัตะปลรมาตเอาศักดิ์สิทธิ์เอ า, เอาดีเอาผิดเอาถูกกับการกระทำไม่ได้มุ่งถึง จ, จิตใจไม่ได้มุ่งถึงตัวการเป็นพระโสดาบันละอันนีได้เด็ดขาดไม่คล่องแหวกแต่ก่อนโอ้ยท่องคาถาอาคมมีพิธีกรรมต่างๆมากมายกล่ก่อน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 ศักยาทิตติมิ จ, จิตีขาสีละพตะปลรมะพิธีกรรมภายนอกเป็นพระฮิธาธรรมไม่ไม่คล่องแคะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ส่วนอัจฉติยธรรมภายใ น, เ, นยเล่นงานกับมันเล่นงานกับทางในคืออารมณ์คือจิตคือใจเรามาลูบลูบลูลน้ำลูบลูบทำนา้ำทำตามความเป็นจริงนี่มันเลยไม่คล่องมันไม่คล่องอันนี้มันเป็นไงดี ทำลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปเบาลงจางคลายลงไปจนในที่สุดเป็นมรรคเป็นผลง่ายขึ้นง่ายขึ้นหมดพะละขึ้นไม่คล้องไม่เกี่ยวจนในที่สุดเบาปกติไม่ติดอะไรทั้งหมดวัดกันเรื่องอาลหลงไม่ได้วัดกันเรื่องรูปเรื่องกายเรื่องเครื่องแบบ ใจเรามันเชื่องหลบหมดพยศลงหมดพยศลงจนไม่มีเรื่องที่จะต้องทำเลยเรื่องกายเรื่องใจไม่มีปัญหาอีกแล้วจบชีวิตจบไม่มีปัญหาเรื่องของคนมีแต่ธรรมชาติธรรมดาอ่าเป็นมิตรภาพในการดําเนินชีวิตนะคือไม่มีทุกข์ศนะาสนาคือตัวที่ไม่มีทุกข์พระพุทธธรรมประสงค์คือตัวที่ไม่มีทุกข์ พอมาจบลงที่ตรงนี้ถ้าคนเราไม่มีทุกข์เพราะกายเพราะใจคนนั้นเรียกว่ามีศาสนาถ้ายังมีทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่ไม่ชื่อว่ามีศาสนาถ้ายังทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่ยังไม่มีศาสนาเรามาดูที่ว่าพุทโธ ท, ทุกขัสสะคาตายจะวิขาดายจะหิตัตสมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกข์ พระธรรมก็มั่งกันพระสงฆ์ก็มั่งกันสังโคทุกขสักขาตายาจวิขาตาจาริตาจาัตาจามีพระสงฆ์เป็นเครื่องกํำจัดทุกแต่ตัวที่ตัวศาสตร์นาจริงๆคือตัวที่กําจัดทุกขการกําจัดทุกอะไรกําจัดทุกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อคืนนี้ได้ยินจารย์สงัดพดเหมือนกัน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรคือสติปัญญาสติปัญญาตอนนี้คืออะไรสติปัญญาคือเครื่องกําจัดทุกทุกไม่เกิดทําไมจึงไม่เกิดเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นอารมณ์เห็นตาเห็นหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงตามความเป็นจริงอใจมันก็เป็นใจจิตมันก็เป็นใจมันก็เป็นใจกายมันก็เป็นกายมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันสองอย่างนี่เกิดความยุติธรรมขึ้นมาไม่บางเบียดกัน ปุตตุชนคือมันบางเบียดกันบางทีใจมันไปบางเบียดกายเกิดโครคภัยไข้เจ็บเพราะใจก็นี้อย่างใจมันเกิดทุกข์เกิดอารมณ์ขึ้นมาดีใจเสียใจฟูฟูฟฟแฟ่แบางทีเกิดลกกับเพราะอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดโรคประสาทเลือนน้อยโลหิตจางเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาตายอะไรเพราะเพราะใจ ม, มันบางเบียดกัน ที่มีกายถ้าเป็นโรคภครใครเจ็บก็อา้าวไปทุกข์ใจกายก็เลยบังเบียดใจหมู่นี้ใจไม่ค่อยดีเป็นโรคเก็บอดอดแอดแอดอยู่เรื่อยใจก็ไม่ดีหน้าเศร้ามันยังบังเบียดกันอยู่ไม่มีความยุติธรรมพระอริยเจ้าเนี่ยกายกับใจไม่บางเบียดกันเป็นคนละส่วนเป็นคนละส่วน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 มันมีทุกข์แสองอันเท่านี้แหละเรื่องกายกับใจถ้าเราไม่รู้มันนะรับรองว่าจะเรียนจบขนาดไหนมา ก, ก, ก็ยังไม่ถูกเราไม่ต้องเรียนมากเรียนรัดเข้าไปตรงนี้เลยถ้ามันจบซะเรื่งกายกับใจอย่าให้มันมีปัญหาอย่าให้มันอย่าให้มันบางเบียดกันอย่าให้มันบางเบียดกันใครเป็นผู้ลูกใครเป็นผู้สอนท่านทั้งหลายญาติโยม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 จเจริญสติมันมีโอกาสเจรูปไปได้ออืจะเห็นทําไมจะไม่เห็นเนี่ยเรามือวางไว้อยู่ที่นี่ก็เห็นอยู่ว่ามืออยู่นี่ก็เห็นอยู่แต่แคงมืออยู่นี่ก็เห็นอยู่มาลงเวทีนี่จนมันคล่องอะเวทีกายเวทีใจจนเป็นแขมเรื่องนี่ขึ้นมานั่นก็เขาเล่นกีฬาเป็นแข้มนักมวยอ่าอย่างเขาไปต่อยมวยป้องกันเข่มโลก เขามีฝีมือเขาป้องกันได้รักษาแช่มไว้ได้อันที่เขามาือนกัการที่เรามาเจริญสติให้สติมันลงเป็นแช่มเรื่องกายเรื่องใจแล้วมันก็เป็นผู้คล่องแคล่วการคล่องแคล่วเขาเรียกว่าอะไรเขเรียกว่าด็อกเตอร์มันชํานาญมันชํานาญมันจริงมันมีปริญญามันรอบรู้เรามาเอาปริญญาเนี่ยรอบรู้ยาตะปริญญารอบรู้ในการรู้ ติและขณะเปลญญารอบลูกในการแกแกงออกเปริญญาพระพุทธเจ้าแกแกงยังไงแต่งแกะแกงเรื่องลูกเห็นลูกเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นลูกทุกข์เห็นนามทุกข์เห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นปรำมัตดเห็นตามความเป็นจริงมันแจกะก็ไปไม่มีตัวมีตนมีแต่เหตุกับปัจจัยอย่างลูกอย่างอย่างกายของเราเนี่ <c oughs> มันไม่ใช่อะไรมันมีเหตุปัจจัยมันไม่ได้อยู่อํานาจบังคับบัญชาของกูใดมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่รู้มันก็นึกว่าเคาะเข็นเวรกรรมไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ค่อยดีเป็นสุขสุขทุกข์ทุกข์ร้อนรนหนาวหน า, นาอยากจะพูดเลยว่าถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงการเจ็บให้ได้ป่วยก็น้อยลง โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนไม่ค่อยมีภาระน้อยลงเพราะปัญหามันไม่เังเบียดกันกายมันไม่เบีงเบียดใจใจมันไม่เบีงเบียดกายอาภาษน้อยที่สุดอยู่อย่างมีความผาสุกเป็นคุณค่าของชีวิตชีวิตมีราคาขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายลองศึกษาดูจริงๆอย่าเล่นอย่าทำเล่นๆอย่าเป็นคน อย่าเป็นสัตว์อย่าเป็นเทวดาคำว่าคนก็คือหลายอย่างคุ้มลร้คุ้มดีคำว่าสัตว์ก็คือขลองอคำว่าเทวดาก็คือหลงไหลมัวเมาในความสุขความวัยวุฒิอาวุธหรือว่าความสุขความกินความหลับความนอนอไม่จะออกมาเดินจงกรมสักนิดเดียวสร้างจังหวะ ก็เห็นแต่ความสุขความหลับความนอนความพักผ่อนหาความสุขสบายในการอามิตรนั้นว่าเทวดาหาความสุขคนามสบายคิดจะหาความสุขความสบายอ่อนเอะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดเทวดาในต้องขี่ความจริงกุศลธรรมากุศลธรรมาอิทุปัจโยรมนาปัจโยเรียว่าอภิธรรมพูดให้สอนให้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 พยามสร้างอย่าพูดอย่าคุยกันเกินไปเป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงอย่าไปคล่องไปแวะอะหัดมันใ ห, ใ, หให้มันเชื่อมให้มันลงเวทีให้มากให้มันลงกายลงใจมันคล่องสองอย่างนจะให้มันนี้จากทีนี้ออย่างอื่นความรู้ความสุขมันก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงมันดืนหยัดเป็นผู้ดูมันบางทีมันก็มีอารมณ์เหมือนกัน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 ไม่ได้ใช่ไม่หนีจากวัดโมกไม่หนีจากสติสัมปชัญญะโพธิคือตัวสติปัญญาเนี่ยตัวโพธิต้นโพก็คือตัวสติปัญญาไม่ใช่ต้นโพที่เป็นต้นไม้นั่นโพธิคือตัวสติปัญญาเราอย่านีจากที่ตรงนี้ให้อยู่ที่ตรงนี้ล่ะสี่วันห้าวันยังเหลืออยู่นี่ก็อยู่ที่ตรงนี้อย่านี้ไปไหน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 อย่าเป็นผู้เป็นบางทีมันก็ถูกหลอกเหมือนกันนะอารมณ์ของกรรมฐานนึกว่าตัวเองได้บรรลุทำขั้นสูงไปติดความรู้เทศไป mm hmm. ก็ในที่สุดก็หมดเพราะนั้นมันรู้ก็ดูมันมันไม่รู้ก็ดูมันถ้าเราเป็นผู้ดูในนี่แหละมัดผ่านเป็นทางผ่านถ้าตัวดูถ้่เป็นผู้เป็นเราเป็นทางตัน มักไม่ใช่ไปท่องเราไม่ใช่สมาธิสมากัรมตะมักก็คือดูนี่แหละมันเกิด อ, อะไรขึ้นมาก็ดูมันเอาสติคือตาไหนเป็นผู้ดูผู้เห็นมันดูทันมั น, น, น <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติแบบนี้มันรัดมันรัดที่สุดไม่ต้องไปอ่านไปเรียนหนังสือง่ายกับมือเดียว ไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายไปไม่ต้องไปเรียนกรรมาฐานสี่สิบอารมณ์สี่สิบอะไรต่างๆไม่ต้องไปเรียนแล้วแต่เราเป็นผู้ดูมาเนี่ยแหละนี่จุดต่อนจุดต่อนของกิเลสทั้งหมดของโลกทั้งแปดพัสี่พันเรื่องมันมันมีจุดต่อนมันก็ช่างตัวใหญ่ๆตัวโตมันก็มีจุดต่อนเข้ามาหัวกควายเันตัวใหญ่กว่าเราเราสนทะภายมันได้เราจับมันมันก็อยู่ ทางตัวใหญ่เราขึ้นขี่คอมันเอาคอซับหัวมันก็ยอมรถแท็กเตอร์คันใหญ่ๆที่มันมีกำลังมากๆเราขึ้นนั่งแล้วก็จับถูกที่มันก็พาดันพาชนต้นไม้ภูเขาพังทลายไปอันการปฏิบัติธรรมก็มันกันไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายมันมีจุดอ่อนมันมีจุดดอนมันมีกุญแจ พอเรามาเจริญสตินี่ถ้าเป็นผู้ดูมันนี่จุดอ่อนอะไรทั้งหมดพังทลายไปเลยปัญหาไม่มีแน่นอนถ้าเราจับจุดอ่อนไม่ได้ก็เรื่องมากมันก็เราแก้ปมได้ที่มันมุน่นมันยุ่งเหยิงสับสนถ้าเราจับส้นมันได้ดีดดก็มีโอกาสที่จะคลี่ออกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดีปัญดก็ดีตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้แหละเป็นตัวถลุง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 เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อดับเย็นหรือว่าปัิญนิพานคือเย็นล่อไม่ฟูไม่แฟดไม่พงไม่แตงจะคิดเรื่องใดมันก็ไม่มีปัญหาผล ท, ที่สุดภาละที่จะต้องทําไปอีกมันไม่มีชีวิตของคนก็จบเท่านั้นเองเรื่องศาสนาก็คือมาศึกษาเรื่องชีวิตจะมันจบไม่มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจอาจจะไปท่องไปเรียนเอาตาม หลักปริยัติถ้าใครไม่มีทุกข์ปัญหาเพราะกายเพราะใจกายไม่บังเบียดกันใจกายไม่บังเบียดใจใจไม่บังเบียดกายมีสติเข้าไปลู่เท่าลู่ทันตามความเป็นจริงมันก็มีอยู่ที่เท่านี้อยู่ น, นี่อยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นหรอกยกนี่แหละพระไตไปดกคือนั่งอยู่นี่แหละเรียนลู่เข้าไปมีสติเป็นกุญแจถลุงเข้าไปย่อยเข้าไป ในที่สุดก็ชีวิตเราก็มีค่ามีราคามีประโยชน์ขึ้นมาถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ตายทิ้งเปล่าๆเรื่องขอรับรองว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไม่ได้พูดปลดมีจริงเห็นจริงปฏิบัติจริงก็ได้จริงเป็นอกาลีโกไม่ประกอบด้วยการในเวลาทําเอาใดถ้าทำถูกก็ได้ผลทันที พระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกมรรคผลนิพพานไม่เคื่องจากโลกยังมีอยู่ตาดใดที่พวกเราพากันอยู่โดยชอบอยู่โดยชอบคืออยู่คือเป็นผู้ดูอยู่โดยชอบคือเป็นผู้ดูมันเมื่อเราอยู่โดยชอบโลกก่ไม่ว่างจากพระอรหันต์สเกเนฟิกาเวฟิกุตสัมมาวิหัรเลยยุงอสุนโยโลโกอาหารหันตเตหิต ที่สุดทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบแล้วใซ้โลกจะไม่ว่างจากพระละหันอยู่โดยชอบไม่ใช่นั่งไม่ใช่อยู่วัดไม่ใช่อยู่ที่ไหนทั้งหมดนะั่นแหลอยู่โดยชอบก็คือเป็นผู้ดูนะชอบที่สุดถ้าเราเป็นผู้ดูมันเลยว่าไม่มีการไม่มีเวลาขอให้เราทั้งหลายได้จัดสรรตัวเองให้ได้อยู่โดยชอบ ไม่มีใครที่เป็นครูอาจารย์เท่ากับตัวเราเองหรอกไปเชลอายคนเด่นแล้วไม่ทำแล้วคนนั่นจะว่าคนนี้จะไม่ว่าทำเพื่ออะไรต่างๆมันไม่ถูกทำเพื่อเจริญสติยาดีเล่มีกลนมีมายาสตัยทำด้วยศรัทธาจริงๆการอะไรที่มันหลงลืมไปก็เตือนตอนเองขี้ตัวเองมันหลงก็เ็ดมันก็เ็ดลาบถ้ามันเผยคิดไปก็เ็ดลาบ ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่อสอนตัวเองไม่ใช่อ่อนเอบางทีความคิดเนี่ยนะบางทีประมาทในความคิดก็มีทีแรกก็คิด เ, เล่นๆคิดไปคิดไปก็ปเป็นเรื่องใหญ่เอาอยากแจ๊ยากดัน้นอย่าประมาทในความคิดอย่าประมาทในการกระทําำให้มีสติรู้มันแม้แต่เป็นเรื่องเองล็กล็กแม่น้อยก็เราะอย่าประมาทมันจะเก๊งยาก ความคิดเนี่ยก็เจียยากถ้าเราคิดเรื่องนั้นบ่อยๆคิดเรื่องนั้นแมาก็เป็นนิสัยขึ้นมาการกระทำก็เหมือนกันทำเล็กๆได้น้อยก็อาจจะกลายเป็นนิสัยเป็นเรื่องใหญ่เจียยากเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอยู่โดยชอบนี่สติสมชัญญะเป็นผู้ดูมันทักท้วงมันอทักท้วงมันเมื่อมันหลงไปก็ขี้โทษมันรู้ ม, มีความละอายแก่ตัวเองไม่ใช่ละอายต่อคนอื่น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 แล้วก็พึ่งกันอาศัยกันเกิดความอบอุ่นขึ้นมาอิเนเตอรหาเรื่องใดก็ถามกันอาจจะเกิดประโยชน์ได้ง่ายเจ็ดวันไม่ใช่น้อยอถ้าเราทำถูกถ้าเราทำไม่ถูกเจ็ดวันนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าอยู่โดยชอบเจ็ดวันไม่ใช่เรื่องนิดเดียวเรื่องมากพระพุทธเจ้าทำถูกเพียงคืนเดียวเดยตัดสชื้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเท่าที่พูดในวันนี้ก็เป็นการ พูดตามความรู้สึกไม่ได้จําตามหลักตํารามาพูดพูดจากความรู้สึกพ่อได้ทํามาแบบนั้นก็ เ, เกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆได้ผลขึ้นมาจริงๆก็คอยเราทั้งหลายจงใช้ชีวิตที่มันเหลืออยู่นี้ให้อยู่โดยชอบจงเป็นผู้ดูเมื่อเราเป็นผู้ดูมันก็จะได้ประสบกับความสําเร็จถึงมากถึงผลขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่นนที่นี่จงได้ประสบ